่จะกลาวไปทางด้านนี้นะพวกญาโยมจะมาอยู่ทางด้านนี้อยู่ข้างโน้อย่ทถ้าอยู่างด้านโข้าท่านกาไปทางนี้เกี่ยวกันแล้วไน่นอง แล้ต่เ่ายนรู้ อดนกิเ็ิเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรงอธิษฐานเข้าภาษาฮอธิษฐานเข้าภาษาอธิษฐานเข้าภาษาอธิษฐานเข้าภาษาอธินเข้าภาษา ตอนตอนนี <CK> ้เราก็ไว้พระยอดใช่ไหมไหว้พระยอดเสร็จแล้วก็นำอัญชัยเข้าบรรษาหลงหน้าหลงหลัเหมือนเยะมันเหมือนแต่ก่อนีอาการอยงนี้มันเป็นอนนี้จังมันหมุนมันเยียนของมันมันไม่เหมือนจิตแท้นะ หลงหน้าหลงหลังนี่เราเร่มจากนี้เราไห้พระย่อแล้วก็ตั้งอิสานนะอิสานบรรษาใช่ไหมใช่เออแล้วอิสานพรรษาเสร็จแล้วก็พูดธรรมะกันเลยก็พูดใช่ไหมมันวอกมันบนมีหกโมน แล้วก็ไปว่ายอ่อนก่อนนะแล้วก็ไปมีฐานอันสาอันสามีมีผู้นำว่าเข้าใจไหมผม นํำม้าเสร็จก็แล้วแต่เท้านี้ก็ลแล้วเราจะไปตั้งสัจจยเข้าไปอีกในกุฏิเราก็เป็นพิเศษตังหากแต่เพียงเท่านี้ก็สมบูรณ์แล้วขอเข่ง ก, กับรูกกันอยู่แล้วเหนหน้ไปแล้นู่นนะเร <c oughs> โอ้ผมนั่งยางนั่งแบบผมเลยคุนั่งแบบผมนะ <c oughs> นั่งแบบพระทั้งหลไม่ไรนะนั่งแบบผมแบบคนแก่แบบจะเป็นแบบอะไรต้องแบบคนแก่ไหวพยไายไหวพยนไหว สมุทโอะ่ระา น้ำว่าเยอะใจไหมกลางกลางโมงพร้อมกันแล้วก็มนำว่าสามโมงสามโมงค่อุข่ากันทุกนน้โมงสจุนำผ่ายังไงมันดูแปลก ตั้งนโ ม, นมนพ่อกัน3จบนโมพระสัมม <c oughs> าสั <c oughs> ามพุท มังเตมาสังวัดสังอุปเ emy มังสมิงอาวาเซมัสมิงอาวาเซมังเตมาสังวัดสังอุปเ emy มังเตมาสังวัดสังอุปเ emy มัสมิงอาวาเซมัสมิงอาวาเซมังเตมาสังวัดสังอุปเ emy มังเตมาสังวัดสังอุปเ emy กะ น, นคำควเปียบกันเราจมีอะไรล่ะทำวัดทำวั ด, ดจะทำวัดฮพวกพระจะทำวัดทำวัดเดี๋ยว <ผม S 1> ยเออเขาก็ทำนะโมเทสสะเบกวะโตอระหะโต ชิตตวะปชาโซนปมัชติโซมังโลกังภพาเทติอภามุโตจัจณีมายัสสปาปังกตังกัมมังกุสเชนะปหิยติโซมังโลกังภพาเทติอภามุโตจัจณีมาอภิวารนาซีลิสนิจจังอุทาปชาอิโน ยัตตโรุธรรมาวาทานติอายุวโนโอสุขาภราในั่นะแล้ไม่ต้องกัรอีกอันอคเเเขาอันใก็เป็นจำเนียงคือความพึ่งพิงครับอันนี้ใส่คือความพึ่งพิง อพระแม่ครูอาจารย์ไม่เหมือนกันท่านก็รับเป็นการเท่านั้นเองนอกนั้นก็ธรรมดาไปนิสัยแปลว่าความพึ่งทิ้งเออเอานะโมสัปปะกวา โอปาอีกังซาทุพันเตปฏิรูปังซาทุพันเตปัสานิเกณสัมปะเหิซาทุพันเตอาจตเกตานิเทโรไม่หังพาโรอหัปิเทระชาาโรอาจตเกตานิเทโรไม่หังพาโร เทระสะพาโรเออเสร็จแล้วอาตเถรานิเโรไม่หงารสาหัปิเระสพาเออจบตนนั้นนะเออนั่งเรียบเลยอืมเสร็จแล้วอันนี้เขาออกกันได้แล้ว 6โมงไปให้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดธรรมะอะไรก็พูดเทนั้นนะหรือไม่มีอะไร6โ <c oughs> มง10นาทีไปวันนี้เป็นการ <c oughs> เป็น ฤดูฝนเป็นวันเข้าพัรษาวันนี้พอดีคือพรรษาหมายถึงฤดูฝนเห่นอย่างเมื่อวานนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่วันนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนพระเข้าจำพัรษาครบไตรมาสสามเดือนในฤดูฝนไม่หนีไปไหนนอกจากความจำเป็น พระวินัยท่านก็ทรงอนุญาตเอาไว้ถ้าปกติห้ามไม่พระไปแลมวันแลมคืนที่ไหนให้อยู่ในวัดนี้ตลอดสามเดือนข้อยกเว้นที่ควรจะให้ไปได้โดยสัตหกรณียรกิจก็ท่านกำหนดให้ไปได้ภายในเจ็ดวันนี่เวลาจำเป็น เช่นอุปชาอาจารย์สักจริงมิหาริเก็บใข้ได้ป่วยพ่อแม่ที่เก็บไข้ได้ป่วยจาเป็นที่ต้องไปเยี่ยมหรือ <c oughs> วัดวาวาดชำรุดจูโสมสาราที่ภักที่อยู่ไม่เพียงพอชำรุดจูโสมก็ให้สัตหะไปหาไม้มาซ่อมฉลุงฉล า, าอะไรให้ได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ยังไม่เสร็จก็ ไปอีกจนกว่าจะเสร็จหรือเยี่ยมบิดาม า, าอุปชาอาจารย์ที่มีความจำเป็นก็ให้ไปได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาอีกหากว่ายังไม่หายก็ไปได้อีกอย่างนี้ท่านกำหนดเรียกว่าสัตตาหะคณียกิจกิจที่ควรจะทำได้ในภาษานั้น ภายในเจ็ดวันไปที่ไหนไหม่ให้เลยจากนั้นต้องกลับมาค้างคืนเจอก่อนแล้ววันหลังค่อยไปใหม่ตั้งเป็นสัตาหะขึ้นมาเจ็ดวันอีกดังนี้ <c oughs> อันเรียกว่าสัตาหะกรณียกิจา <c oughs> ำรับพระนี่เข้าใจกันมานานแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้ฟังมากมายนในพรรษาเช่นชนี้ ธรรมดาพระก็เข้มงวดกวดขันปฏิบัติต่อหลักธรรมหลักวินัยไม่ขาดเคลื่อนอยู่แล้วและจากนั้นการบำเพ็ญความเพียรเพื่อช <c oughs> ำระกิเลสภายในจิตใจของตนก็เป็นโอกาสอันดีที่ผ <c oughs> ู้จำพรรษาไม่ได้แยกย้าไปที่ไหนพอจะเป็นการวุ่นวี่วุ่นวายทำลายความภาคเพียร อยู่เป็นความสงบสุขรมเย็นก็ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเชื่อชำระกิเลส <c oughs> พื้นฐานแห่งความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ให้แม่นยำทุกคนคือสติสติเป็นพื้นฐานแห่งความเพียรและหน้าที่การงานทั้งหลายแต่กระจายออกไปมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา ที่สติควบคุมอย่างแน่นหนามั่นคงก็คือประกอบคอาวามภาคเพียนไม่ให้เผลอสติสบัตธปัธิยาสติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงไม่มีการยกเว้นคือสติประคองตัวเองงานใกล้งานไกลงานเจาะจงงานกว้างของไปสติก็กระจายออกไปจนเข้ามามีสติรักษาอยู่ตลอดเวลา นี่เรียกว่าความเพี่ยน <c oughs> นี่เราจําำภาษาแล้วในสถานที่นี้ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประกอบกความภาคเพี่ยนจิตนี่มีตัวมหาภัยอยู่ภายในของมันเป็นประจำมาตั้งกับตั้งกันจะเกิดจะตายกองกันญาขีกับกี่กันก็เพราะเรื่องทิเลตมันมีกําลังมาก ความาความเพียรด้วยสติไม่มีกำจัดปัดเป่ามันออกก็พากันตายกองกันไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศที่ในทิศใดทิศใดที่ใดกิเลสเข้าควบคุมได้หมดให้พากันเกิดตายกองกันอย่างนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สัตว์ทั้งหลายไม่ยกเว้นประเภทใดๆที่กิเลสจะเข้าทําลายไม่ได้ ยกเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระรหัน์เท่านั้นพระพุทธเจ้าพระรหันธ์นี้กิเลสเลียบหมดภายในกิ่ใจไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนก็คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์โดยแท้เท่านั้นนอกนั้นมีมากมีน้อยต้องอยุแยแย่ขอควรให้ได้รับความทุกข์มากน้อยตามกำลังของกิเลสและกำลังแห่งการระมัดระวังรักษาของเรา <c oughs> นี่เข้าพรรษาแล้วขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจเน้นหนักเข้าไปอีกกว่าธรรมดาที่เราอยู่ปกติก็ธรระดาจิตใจอยู่แล้วด้วยความเปลี่ยนแต่เวลาเข้าพรรษานี่ก็เป็นเวลาที่เ <c oughs> หมาะสมอย่างยิ่งไม่ได้มีการมีงานอะไรเลยสําหรับวัดป่าวันตราสเราเข้มงวดกวดขารมากในการประกอบความภาคเปลี่ยนไม่ให้พระเน้นจุ่นจ้านวุ่นวายไ ป, น, น, ไปนู่นไปนี่แส้ใส แล้วให้ประกอบหน้าที่กัรงานอย่างอื่นซึ่งเป็นค่าสืกต่อการประกอบความเพียรของพระที่จะชำระกิเลสให้สิ้นไปจากใจต้องมีสติอยากยั้งตัวเองตลอดรักษาจิตใจให้ดีสติเป็นของสําคัญในการงานทั้งหลายโยนเข้ามาก็คือความเพียรการประกอบความเพียรถือสติเป็นสาคัญท่านจะเห็นอะไรยิ่งกว่าสติไปถ้าสติดีแล้วกิเลสไม่เกิด สัตติเถรกิเลสจะเกิดกิเลสเกิดจากสังขารคือความคิดปรุงท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชาปัญยาสร้างข้าราแล้วก็สร้างข้าราปัญญาวิญญาณังเรื่ อ, อยๆความจริงถ้าขึ้นจริงๆแล้วก็คือว่าอาวิชชาปัญญาสร้างข้าล อ, า ว, อาวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชาปัญญานามนูปังย้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ห ล, ลักใหญ่ แต่ทั้งพูดต่อขนแดงไปตามเรื่องราวของกิเลสที่มันฝ่ายคว้าไปท่างกือพูดอยางนั้นหลักใหญ่จริงๆก็คื อ, อวิชาปัญญาสรงคาลัยสังขารจะเกิดขึ้นจากาวิชาแรงใหญ่แห่งกิเลสทั้งหลายเลังจากนั้นกวิชาปัญญาสร้างคาลัยปัญญาวิญญาณนาปัญยาเกิดขึ้นนี่แล้วเกิดขึ้นนี่สังขารวิญญาณนามรูปอะไรเกิดขึ้นจากจิตจากจิต เผยสติีทั้งนั้นแต่ท่านพูดต่อเนื่องกันไปแต่ย่นเข้ามาแล้วขึ้นอวิชยาปญาสังขาราอวิชยาปยาวิญญาณอิชาปยานามรูปังย้ำอยู่ตรงนี้แหละเกิดที่จุดเดียว <c oughs> ผู้พระ ก, ก่าความเพียรยาประมาทอยู่ที่ไหนให้มีสติคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงซึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความจาเป็น ก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับตัวอย่าได้ฟั้งเผลอไปไหนสตินี้เป็นอาวุธที่จำเป็นมากสำหรับความเพียรของพระผู้จะชาระคีเลสให้พ้นภัยไปจากใจไม่มีอะไรเหลือภายในใจจนกระทั่งถึงมีมูลปณิพานไม่เหนือไปจากสตินี้ไปได้เลยจึงพระคันประกอบความเพียรเปลี่ยนให้มีสติเดินจงกรมนั่งสเฉย หรือดืนเดินนั่งนอนให้มีสติเป็นประจำตนสติคือความระลึกลืบระลึลกรู้ตัวอยู่เสมอภายในตัวเองก่าเรียกว่าสติระลึลกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะมาทำให้ผลประโยชน์ของเราเกิดที่จะเกิดขึ้นให้เสียไปก็ไม่เกิดถ้าลงสติได้ควบคอบความอยู่แล้วดีทั้งนั้น เพาะฉะนั้นสติจริงนับเป็นอันดับหนึ่งในการประกอบความเพียรภาคเพียรเดินจงกรมก็ให้มีสตินั่งอยู่ก็ให้มีสติยืนก็ให้มีสตินอนก็ให้มีสติเว้นแต่หลับเท่านั้นในยาบททั้งสี่สติต้องเป็นผู้ควบคุม จ, จิตใจซึ่งเป็นนักโทษจากกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาถ้าไม่ควบคุมไม่ได้ ผู้ปรกบความภาคเพียนสติต้องเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตลอดเวลาไม่เช่นั้นเราจะไปเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสว่าเคลื่อนไหวไปไหนมิจะเคลื่อนไหวทับหัวใจเราเท่านั้นที่จะเคลื่อนไหวขยายตัวออกไปเพราะสู้สติไม่ได้นี้ไม่มีลงสติได้ตั้งตรงไหนแล้วสังขารที่เป็นอวิชาอวิชาปญาสังขารสังขานี้แหละตัวกิเลสตัวสัมพันธ์ ออกมาจากวิชามันจะเกิดทันทีทันทีนี่แนหะสังขารตัวนี้เป็นเป็นภัยสังขารตัวนี้เป็นสมุทยัยสังขารตัวนี้เป็นกิเลสตัณหาโดยแท้สติเป็นมากโดยแท้แก้ที่เลสได้โดยสิ้นเชิงให้นำมาใช้ย่าได้ปล่อยตัวส <c oughs> ตินี้เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้ประกความภาคาเพียรในขั้นกุศกาลไปยังไง ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นวัจจุวันคงเช่นคงวาหนาแ น, น่นในการประกอบความเพียรซึ่งเป็นการสร้างเหตุหนึ่งแล้วผลปรากฏขึ้นเป็นลําดับลําดับจากการปฏิบัติหนึ่งไม่มีคําว่าเคืองเวลสมัยขอให้ประกอบความเพียรเถิดทำพมทธเจ้เป็นส่วนคาตธรรมตัดไว้ชอบเรียบร้อยแล้วไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไ ด, ได้ไม่มี เพราเป็นคำชอบทำถูกต้องดีทุกสิงทุกอย่างถ้าพูดถึงว่าธรรมะก็ไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดเป็นส่วนขารธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่พื้นๆจนกระทั่งถึงพระนิพาตเป็นการสอนไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลยผู้ปฏิบัติจงให้ยึดหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ทุกขั้นทุกภูมิ เข้ามาสู่กำลังใจมาสู่ภูมิใจของตนตั้งไว้ให้ดีกับทำคันนั้นๆด้วยสติสตงังการประกอบความเพียรถ้ามีสติแล้วกิเลสจะจะยุบย่อไปยุบย่อไปถ้าไม่มีสติทำความเพียรจนทั่งวันตายก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใดคติตั้งให้ดี <c oughs> เอาอันนี้เราจะยกเป็นคติตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ เฉพาะอย่างยิ่งคือพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาศึกษากับเราเราาปฏิบัติทมเราไม่รู้จักวิธีรักษาจิตใจของเรามีความสงบเย็นแน่นหนามั่นคงปนนเป็นสมาธิแน่เป่งเดียวแต่ก็มาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งอยู่วันจาดนี่แหละเพียงกดหลังเดียวฉท น, นั้นไม่เสร็จ จิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคำว่าเข้าได้พืจิตลงสู่สมาธิแน่นหนามันคงปังป็นทุกครัางไม่มีผ้าดแต่พอมาทำกดหลังหนึ่งเท่านั้นมันยังไม่เสร็จปรากฏว่าจิตนี่เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างดือด้านหานสู้เจ้าของตลอดเอ่อนีไม่ได้หนี ร, ร้อยกฎใช้เรียบร้อยแล้วฟาดกันใหม่จเจริญแล้วเสือ่อมเจริญแล้วเสือ่อม เป็นเวลาปีกับห้าเดือนมันไม่ยอมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ยอมขึ้นนะขึ้นแล้วเสื่อมลงแล้วพยายามถูใส่ตั้งสิบสี่สิบห้าวันไปถึงที่มันเป็นความสุขความสบายพอตายใจ้ยี่ยงสองสามคืนเท่านั้นเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเป็นอยู่ปีกับห้าเดือนไม่ไม่ถอยไม่เคลื่อนไปไหนความเปลี่ยนหนุนเรือก็จนจะตาย แต่จิตมันจเจริญขึ้นแล้วมันก็เสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้วมันเป็นยังไงเลยมาพีนิดปีกันะนะนี่ปีกมาห้าเดือนแล้วจิดนี่เสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญไม่เป็นอย่างอื่มันเป็นเพราะเหตุใดมาถามเหตุสามผลเจ้าของเองอาจจะเป็นเพราะเวลาเราตั้งสติจับกับปิดนั้นเราไม่ได้ใช้คําำวิกีคำมีแต่ตั้งสติกับปิด เผลอได้เผลอได้กิเลสออกทํำลายเราได้ในขณะนั้นขณะนั้นทีนี้เราเอาเอาตั้งใหม่คราวนี้จะเอาคําำริกรรมเข้ามาติดกัปิดเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นให้คําว่าพุโทโธติดอยู่กับปิดให้สติติดอยู่กับคําพุทว่าพุโทโธพุโทโธไม่ยอมให้เผลอไปไหนเลยเอาที่มันจะเสื่อมได้ในทางใด เราจะดูมันคำว่าเผลอไม่ให้มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอเลยพ <ül> ุทโธกับสติติดกันตลอดตลอดตลอดอ่ามันจะมันจะเสื่อมมาจากไหนเราจะดูตั้งพุโทโธลงไปสติติดแน่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอให้อยู่กับพุโทโธพุทโธ อ, อ้ามันจะเสื่อมไปจากไหนติดแน่เปนอยู่ติดแน่เปนอยู่ตลอด พอไปถึงกีก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญพอไปถึงขั้นจเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันไม่เสื่อมเอาเอาเอามันจะเสื่อมก็เสื่อมไปทอดอะไรตายอยากเสียทั้งหมดเราไม่แบกให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้เราจะไม่ห้ามมันแต่เราจะห้ามมันด้วยสติไม่ให้เผลอตัวเอามันจะเสื่อมปล่อยให้มันเสื่อมไปแต่สติกับคำบุญกรรม มีผู้โธเป็นต้นนี้จะไม่ยอมให้พลากจากกันเลยเอาตั้งลงจุดนี้ความเสื่อมความเจริญทิ้งออกให้หมดให้เหลือตั้งแต่คําว่าพุทโธกับสติติดแน่กันไปนี้มันจะเสื่อมทางใดเอาดูนี่แหละการภาวนาะต้องใช้ความสังเกตนะไ ม, ไม่ไม่สังเกตไม่ได้ใช่ไหมก่อนสังเกตสำรเราสําหรับเราเองแทบโอกระแตกละเพราะการพีพีนาใช้ความสังเกตทดสอบบวกลบปูนฐานกันอยู่ในนั้นเนี่แหละ ที่ว่าจิตจะตั้งข enfin ึ้นได้แล้วไม่เสื่อมคืออย่างนี้เองเพราะเพราะการพรีจารณามันเป็นอะไรขึ้นไปได้สิบห้าวันแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงแค่สิบห้าวันไปถึงจุดนั้นเสื่อมลงข้าวนี้จะประการมันไม่ไม่ได้มีคำวิธีคำเชียนคำว่าพุทโธเอาสติจ่อ็ติมันเผยได้เสื่อมได้ทีนี้เอาสติพุทโธตั้งไว้เอาสติจับกับพุทโธพุทโธไม่ให้มันเสื่อมเอา มันจะเสื่อมทางใดให้เสื่อมให้ดูแล้วก็เอาเลยละ่ะพอไปถึงทั้นมันจะเร่งขึ้นแล้วมันก็เสื่อมเอาเอาเสื่อมไปแต่สติกับพุโทโธจะไม่ให้พลากับกันติดอยู่นั้นตลอดเวลาเลยที่นี่มันเลยไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมวันวันหยุดนิ่งเลยนิ่งจนกระทั่งถึงจิตบริกรรมไม่ได้ คือจิตบริกรรมไม่ได้จิตหยุดหยุดตัวนะเข้าไปถึงนั้นหยุดเึ๊กเลยใช้คำบริกรรมใดๆไม่ได้เลยนิ่งเลยจะบริกรรมคำใดออกมาก็ไม่ออกไม่ปรากฏเอาไม่ปรากฏก็ให้มีสติอยู่กับคำหยุดตึกนี่จิตไม่ปรุงก็ให้สติตั้งอยู่กับจิต ท, ที่ไม่ปรุงมันจะเป็นยังไงเอาตามกันไปทีนี้มันก็เหมือนคนนอนหลับคือจิตเวลามันสงบเข้าไปมันก็เหมือนคนนอนหลับ ที่เวลามันตื่นนอนก็เหมือนเหมือนเด็ตื่นนอนกระดูกกระดิกแล้วที่กายออกมาก็ตื่นอันนี้จิตพอมันเข้าถึงอันที่ที่หยุดความคิดความปรุงทั้งหลายแมย้แต่พุทโทก็ปรุงไม่ได้นะเวลาหมดหม ด, หมดจริงๆพุทโธไม่มีเหลือแต่ความรูนล้วนๆเอาสติจับไว้กับความรูนล้วนๆมันจะเคลื่อนไหวไปไหนสติไม่ถอยพอถึงนั้นแล้วพอที่กายออกมาเราเลยพุทพุทโธได้เอาพุทโท อ, อัดเข้าไป อยู่อย่างนี้ตลอดทีนี้มันก็นเลยไม่เสื่อมนะพุทโธเต้แนบเวลาระลึกคำบริกรรมไม่ออกนะเ ว, เวลามันหมดจริงจริงหมดความคิดรุงว่าพุทโธโธไม่มีเลยบังคับก็ไม่มีนั่นเวลามันหยุดเอาสติจับไว้นั่นทีนี้พอสติพอพอมันมันอิ่มตัวของวันแล้วมันกคขี่คลายออกมา พอที่ขยันมาสติจับติดพุทโธพุทโธต่อไปเลยเรื่อยเืยเนีย่ยต่อไปไม่หยุดไม่ถอยหนุนต่อที่จี่พอเข้าถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนะพุทธโธติดกันไปติดกันไปเลยเลยไม่เสื่อมนั่นเราจับได้อย่างนี้ด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจีก็เลยก้าวเดินต่อไปไม่เสื่อมเหมือ น, อนแต่ก่อนแต่ก่อนพถึงจุดนั้นแล้วอังไงก็เอาไว้ไม่อยู่เสื่อมลงจนได้ พอเอาสติจับไว้นี้แล้วไม่เสือ่อมต็จกันไปทีไบนี่อาการพิจารณาการภาวนาต้องต้องใช้ความสังเกตจอดูอย่าสักแต่ว่าทำนะนี่ทำมา แ, บแบทบล้มแทบตายใช้ความปีพิจารณาความสังเกตจอดู้มันอยู่ตลอดเวลาถึงขนาดนั้นต้องก็ยังไม่ถันมันพัญญ า, าของกิเลสหล่อพิดเมื่อได้ใช้ปัญญามากเขามาก็เก้าข้ามหัวมันไปได้ทีนี้กิจก็ไม่เสือ่อม จิตก็จะเลื่อนรุ่งเรืองต่อไปเรื่อืมจิตไม่สงบหาความสุขไม่ได้นะถ้าจิตไม่สงบหาความสุขอะไรโลก น, นี้ไม่มีที่ไหนที่จะปรองความสุขความทุกข์ลงได้นอกจากหัวใจดวงเดียวใจนี้เป็นที่ปรองวางลงทุ ก, ก็ลงที่ใจสุขก็ลงที่ใจเมื่อบรรเทาทางสุขแล้วสุขลงที่ใจทุกหายไปหายไปเมื่อ พิเรศสิ้นร่างไปจากใจแล้วมีแต่ความสุขบโรมาสุขตเต็มหัวใจนี่แหละที่รับความสุขความถุกจึงมีใจใจนี้เท่านั้นไม่ได้มีชื่ออื่นเป็นวิเลยแม่น้นําำ้องความมหาสมุทรกว้างแค่ขนาดไหนไม่เป็นที่รับความสุขและความถุกมีใจอยู่เดียวนี่จึงให้สังเกตสอดรู้ระวัตระวังใจของเราให้ดีการภาวนาเป็นเรื่องเลิกเลยที่สุด พระพุทธเจ้าตัดรู้เป็นศาสตาเอกของโลกด้วยการภาวนาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นสถานะของพวกเราว่าสังขังฉันยังขจามีด้วยการภาวนาอะไเราที่เป็นสถานะของเราได้ก็เอาด้วยการภาวนาพุทธังธรรมังสังขังฉันยังจามีเอาพุทโธธรมโอสัพโหมาเป็นสถานะของตัวเองเอาให้ได้มันจะไปไหนพระพุทธเจ้าฟาดมือมาแล้วเขอได้งนั้น ให้อยู่ที่นี่นะจิตนี่เวลามันก้าวขึ้นไปแล้วมันอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากทีเดียวจิตเวลามันอยู่ง่มมวงๆตมเตี้ยเหมือนเต่าหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่ว่าสูงว่าทุกมันรับหมดรับหมดเป็นไฟเผาตัวทั้งนั้นแต่เวลาเราฝึกขัดเข้าไปฝึกหัดเข้าไปมันก็ค่อยหลีบฝืนดีไฟคืออารมณ์ของกิลเลสสไยได้โดยลําดับจากนั้นจิตจะสงบเย็นใจสงบเย็นจิตแน่นหนามันคงปเป็นสมาธิ ออกจากสมาธิเรียกว่าจิตอิ่มตัวจิตเป็นสมาธินี้จิตอิ่มตัวคิดอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากฟุง้งอยากหิ้โหวยกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถเครื่องสัมผัสต่างๆตามธรมรมนามันหิวไม่ไม่เห็นอยากเห็นไม่ได้ดูไม่รู้อยา ก, ยากดูไม่ได้ฟังอยากฟังไม่ได้คิดอยากคิดนี่เป็นนิสัยของจิตที่มันหิ้วหวยในอารมณ์แต่พอ จิตได้มีธรรมเขาแทรกภายในใจแล้วความโหยเหงารมณ์ปล่อยไปปล่อยไปเอาอารมณ์ของธรรมเข้าไปแทนที่ของใจใจก็มีความสงบสงบที่ปล่อยว่าไม่อยากคิดอยากปรุงจิตที่เป็นสมาขิแน่นหนามั่นคงแล้วรําคาญในการคิดการปรุงของตัวเองไม่อยากคิดแนวอยู่เป็นเอกจิตเอกธรรมเรียกว่ามีอารมณ์อันเดียวแต่รู้เด่นเท่านั้น ไม่ต้องการอะไรเลยนี่ความคิดความปรุงรบวนทั้งนั้นเมื่อจิตจะเข้าถึงตั้นสมาธิทีค่ความแนะนหนา ม, มันคงเป็นเอกทิศเอกตะทมเอกตะธรรมมีอารมณเดียวแล้วเป็นความรู้เด่นอยู่อันเดียวอืไม่ไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดความปรุงนำขาญทีนี้ข่าจะคิดที่จิตอิ่มตัวก็คิดอิมดอ่มอารมเอาแยกออกมาออกใช้ทางด้านปัญญา ด้านปัญญานี่พิจารณาพิสดารมากนะมันเป็นขั้นขั้นข้นขั้นของปัญญาขั้นเบื้องต้นขั้นปัญญาเกี่ยวกับพื้นฐานของปัญญาที่จะใช้ให้เป็นหินรับปัญญาคืออะไรเจสาโรโมารนะขาทันตาตาโจ ω. นี่คือหินรับปัญญาเป็นไปได้ทั้งสมถะคือความสงบใจด้วยกานบฏิกรรมเราทำห้าประการตามธรมานห้านี้เป็นอารมด้วย ที่นี่เวลาจิตออกทางด้านปัญญาคลียร์ขายสิ่งนี้ออกไปเป็นหินรักปัญญาไปเล ด, ด้วยนั่นกรรมฐานห้าเป็นได้ทั้งสมาถิและวิปัสสนาจากนั้นเราก้าวเดินออกทางด้านวิปัสสนาวิปัสสนานี่ยแยกธาตุแ ย, ยกขันดูเกศาโรมาหน้าขาถันกะจออันตาแต่โจกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ออะไรก็ดูกม้ามหัวใจ ตับผังผืดไตปอดไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งเป็นส่วมเป็นฐานเป็นของพระธุ์พูนโสกไม่พึงปรารถนามาเต็มอยู่ในเนื้อในกายของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครบุกล้องนอกจากเอาผิวหนังบางๆห่อไว้แล้วก็โชว์เป็นว่ากัน เ, เสริมสงเสริมสวยเสริมว่ากันไปะของข้างในมันคือส่วมคือฐานมันจะไปสวยได้ยังไกงก็ส่วมก็ฐานเป็นว่ากันไปอย่างนั้น นี่พิจารณาสินี่เรื่องปัญญาที่กายออกไปผมควนเรียกฟันเปิดออกจากถึงหนังแล้วลอกหนังแล้วดูกันใด้ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์บุคคลใดก็ตามถ้าเอาหนังออกแล้วมันดูกันไม่ได้าะนั้นละ่ะนี่เอากรรมาฐานเป็นดาบเป็นคมกล้าได้แก่ปัญญาแหลมคมเปิดออกหนังของเราลอกหนังแล้วไม่มีหญิงมีชายไม่มีความรักความชอบความกาหนัดยินดีต่อกัน เปด อ, อกเปด อ, อกเปเข้าไปในเท่าไรยิ่งดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้เท่าไรยิ่งดูเอาให้มันชำนี้ชำนานเมื่อมันชำนี้ชานานเดินไปไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่เราพิจารณาแล้วนะมองเห็นหญิงเห็นชายเห็นแตหนังหอกกระดูกเห็นแต่ครองกระดูกเห็นังแต่เนื้อแดงร่ำไปหมดตัวนี่คือความชำนานภายในใจของเราซึ่เคยพิจารณามาแลว้วมองภายนอกมันกับภายในไม่ผิดกันเหมือนกัน พิจนาแต่ก็จะกระจายโจกระทั่งมันรู้แล้วมันปล่อยอสุภะอสชุปังถูกขังอันนี้จังอนาตาเหล่านี้ซึ่งอยู่ในฐานนี้ฐานความรักของสวยความงามความกำลังดนดีในการมกิเลสนี้พอผ่านนี้ไปแล้วเรื่องรูปร่างกายหล่างนี้มันก็ไม่มีนี่นี่เรียกว่าผ่านรูปธรรมไปแล้วละไม่มีนี่เรียว่ากามรรคคาสิ้นสุดลงในจุดนี้ จากนั้นมันก็เป็นนามธรรมแต่อาศัยกายของเราเนี่ยตั้งขึ้นพาพดับฟ้อมดับพร้อ ม, อมตั้งขึ้นที่ไหนมันก็ขึ้นไปขึ้นไปออกมาจากจิตนี่แหละสุภาพสุฟังทุกขังนิจังอุะมันเกิดไปจากจิตดับที่จิตดับที่จิตสุดท้ายพิจารณาแยกชาแยกขันว่าเป็นนิจังทุกขังอุตตะสุภาพสุฟังไม่ได้นะมันเร็วตั้งขึ้นพาพพอรู้ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดที Matter, ่ ETH, ไหนดับที่ไหนเกิดที่จิตดับที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตนี่ ปัญญาเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเจ้ากระตั่งเขาถึงขั้นสังขารที่เกิดดีก็ตามชั่วพอตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นทางนั้นปัญญาไวเข้าเร็วก็สุดท้ายก็มีแต่สังขารกับสติ ด, ดูที่มันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาจากจิตใจเกิดแล้วดับดีก็ดับชั่วก็ดับอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ท่านว่ายังจริงกิสูได้รยรรมังสวรรค์งฮิโรธรรมังท่านแสดงไว้กลางๆว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่สั้นพูดกลางๆเอาไว้แต่ผู้เห็นธรรมจะไม่พูดอย่างนั้นเช่นอย่างพระอัญญาโกณัญญาจะไม่พูดอย่างนั้ น, เ, น, พ น, น, พ น, นเพราะกระเสือนอย่างหนักกระเทือนทำข้อนี้อย่างหนักยังเจงจีสูเลยสมังสับวันตังนี้เลยสมพระอัญญาโกณัญญาจะออกเป็นอุทานขึ้นมาเลยสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่ อุทานของพระอนุญาติคนอนญ า, นาจะเกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นอะไรจะไม่ดับนั่นอยู่ในนั่นอยู่ในจิตที่ไม่ดับมันจะมันจ้าอยู่ภายในจิตนี่ไม่ดับนั่นเนอกนั้นดับหมดอันนี้ไม่ดับนี่ท่านได้พยานที่ว่าอัญญาติสีสะโบคนอยู่ท่านได้อย่างนี้ความรู้ของพระ อ, อนุญาตคนอญญาเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่มันไม่ได้เป็นความรู้แบบตำราตํารานะเป็นความรู้ที่เจอกันอย่างจริง คนเจ้าะะนั่นจึงออกอุทานนั่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เข้าก็อแท้เลยเลยว่าอะไรก็ตามเปิดแล้วดับทั้งนั้นนะอะไรไม่ดับนี่มันเห็นอยู่ในนั้นมันเกิดขึ้นมาป้องกันคือจิตไม่ดับมรรคผลนิพพานที่จิตเริ่มครองแล้วเป็นระยะบุกปนขั้นต้นนี่คลองอยู่นั่นแล้วจ้าอยู่นั่นไม่ดับนี่ไม่ดับสิ่งนั้นดับทั้งหมดนั่นมันต้องมีข้อรับกันปฏิเสธกันรับกันอางด้วยเหตุด้วยผลภายในใจนี้ นี่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นทนีเวลาหนักเข้าหนักเข้าทีของเราไม่เคยสงบตามขอให้ทำมาเป็นน้ําดับไฟเถอะมันสงบไรช่านั้นเอาสติเป็นเครื่องบังคับกํากับรักษาให้ดีการภาวนาไม่มีสติไม่รักษาตายทิ้งปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเดินก็เดินจงกรมไปเดินไปอย่างนั้นลนะนั่งก็นั่งว็นั่งเธอถือมองมองเซ่อเซ่ซาซไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร ทำอะไรให้จริงให้จริงจะรอรออะไรและศาสนาของพระพุทเจ้าไม่ใช่ศาสนารออะโยกคทรนะเป็นจริงเป็นจริงพระเจ้าเอาจริงจริงกับการภาวนาอยู่หกปีพิจารณาอนาคานอตตสําเร็จเป็นหันขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เอกนั่นท่านไม่ได้ทํารอรออะไรนะท่านเป็นศาสดาองค์เอกจากการทําจริงทําจริงสาวกทั้งหลายท่านก็จริงจังท่านก็เป็นสาวกองค์เอกอีกเหมือนกันเป็นสาวกอง์เอกเลย เราการมันเอกในใจดวงเดียวมีธกิจดวงวิสุทธิ์ดวงเดียวเอกนั่นอย่าให้มีเอกเอกแบบตาข้างเดียวนะถ้ามันดับตาหนึ่งเนี้ยบอดนะ่นเอกมันก็มีแลเอกคนธรรมดามีสองตาตาหนึ่งบอดเสียก็ไปคนตาเอกมีตาเดียวพอตานี้บอดอยูแล้วตานี้ดับไปแล้วบอดเอกออกจากเอกก็บอดอย่าให้เป็นอย่างนั้นออกจากเอกมันเลิศเลยไม่มีใครเสมอ พาการจดจำว่าการบฏิบัติธรรมผงแกแล้วว่าในเทศสนามว่าการในฝั่งวันนี้เทศจะว่างทนทุกเศนนานกับร่างกายที่อ่อนเพลียมาเทศาท่านเพื่อนผงทั้งหลายฟังให้พากันนําไปปฏิบัติพระเหล่านั้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นผู้นําของประชาชน ญ, ญาโยมพระติงใจปฏิบัติรีปฏิบัติชอบไปอยู่สถานที่ไหนบ้านใดเมืองใดชุ่มเย็นทั้งนั้นและเลือกถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระธรรมสูงและลึกถึงพระที่อยู่ในบ้านของตนก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกบ้านสร้างเรือนที่ไหนเขาต้องสร้างวัดสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นร่มโผลร่มไสแก่จิตใจให้เขาได้รับความร่มเย็นโดยอาศัยพระเป็นที่พึ่งในเวลานั้นเวลานั้นตามบ้านนั้นๆนั้ น, น, นเขาก็จะมีวัดที่นี่เราเรามีวัดแต่เราไม่มีธรรมในใจใช่ไหมไรนะ วัดกับวัดจากการเราปลูกสร้างขึ้นมาทําในใจที่สนใจภาวนาพุ ท, ธทโธธรรมโอสังโฆให้มีความเย็นภายในใจตัวเองนอกจากเย็นต่อครูอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนแล้วให้เย็นภายในใจของตนแต่กับไม่มีนี่ใช้ไม่ได้นะให้มาเย็นในจิตใจของเราีทุกคนทุกคนนะภาวนาเย็นจิตใจ น, นี้เลิศเลยสุดยอดการภาวนาพผู้เจ้าเลิศด้วยการภาวนาพระสาวกทั้งหลายชั้นเลิศด้วยการภาวนา พิจาณาลงไปเวลามู่เราพูดคือกิเลสตถาที่โลกที่โกรธที่หลงมันครอบหัวใจอยู่นั้นใจก็เป็นช่วงเป็นฐานคนทั้งคนพระทั้งองค์ใครเขาตามเป็นช่วงเป็นฐานพยายตามกันหมดเพราะชำระไม่ได้ก็มีแต่ความโสโครกรกรุงลงังเต็มหัวใจใจเละกายเป็นมู่เป็นคูดไปหมดเลยเอาชำระออกด้วยคิดถึงภาวนาฟาบันลงขาดสวรรค์ลงไปขาดสวรรค์ลงไปใจไม่เคยสงบมันสงบได้ใจ ที่ไม่สงบก็คือกิเลสตัวยุ่งกวนสงบผ่องใสส ะ, ส, ะสะอาดสะาดสว่างสวยก็จางแจ้งขึ้นมาที่หัวใจเมื่อตะกอนทั้งหลายมันลดน้อยลงไปลดน้อยงไปต่อไปก็สว่างจ้าขึ้นมาภ า, ายในจิตใจและที่อารม โ, โภอุรปารีนั่นเห็นไหมล่ะสว่างจ้าทั้งวันทั้งคืนไม่มีคําว่ายืนเดินนั่งนอนสว่างจ้าตลอดเวลาเนี่สำหรับอารมโภคุณปารี ความสว่างจากแจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะตาคนท่านจึงแสดงไว้ให้ว่าเป็นเจ้าขีทั้งห้าฝั่งมันถึงใจนั่นเหล่าเราจึงไม่ลืมนะพระผู้ที่แก้าทรงแสดงธรรมจากกับพวรสารสูตรให้เป็นเจ้าขีทั้งห้าฝั่งในบทสุดท้ายที่จะยุติในการแสดงธรรมธรรมจากกับพระวรสารว่าญาณจักรพระดเมรสัสแสงอุตตรปาลี ความรู้ความเห็นนั้นเลื่อเลยได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราจะถาคกดีประกาศความจริงถอดออกมาจากพระไตยของบนเจ้าแล้วเป็นการท้าทายให้เป็นที่ตายใจได้แต่เป็นจักรวรรดทั้งห้าวัดลงใจแ ล, แล้วคํานี้เราหมายความว่ายอย่างนั้นอากูปาเมมิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกาเริบอีกแล้วนั่นอิยามันที่มาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะถากดอืม นั่นทีดานนี้ปุณณพวโรต่อจากนี้ไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงถอดออมาจากพระไทยมาให้สาวกทั้งหลายฟังและเป็นการท้าทายว่านี้จริงล้วนเลยไม่มีปลอมให้แกเป็นชวบัณฑิตฟังแต่พระอัญญากนัญยาก็ได้สักดีพยานขึ้นมาในขณะที่ฟังเทศว่าอย่างจริงกี่สมุนรดจะสำหรับนั้นทั้นสําเร็จอริยภูมิขึ้นในเมืองต้นว่าอัญญา ยังจริงๆสมสมุนไพรทำบางสัปวันต่งนี้เรแล้วทำบังสิ่งใดก็ตามไม่ได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งแรก่อดดักเป็นธรรมดานี่ฉันพูดไว้กลางๆสําหรับคนรู้ก็พูดได้ไม่รู้ก็พูดได้แต่สําหรับพระ ญ, ญาคนญะจะพูดขึ้นได้เพื่อความรู้ได้ของพระ ญ, ญาคนญะอย่างเตือนใจเองนะพระ ญ, ญาณคนญะจะไม่แปลอย่างนั้นนะ ยังจริงๆสมุนไพรสมหวังสถา บ, บันตังนีสง้สิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่ขอพบูชาของพระอัญญาคนนีสิ่งไม่ดับคืออะไรจิต ด, ดวงนี้จ้าขึ้นแล้วเป็นเครื่องรับอันนี้ไม่ดับนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนั้นมันใช่ว่าพูดงู ป, ป่ายันกันทั้งสองแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานขึ้นมาว่าอัญญาสิวัตโภ ค, โ ค, โคนโยอัญญาสิวัตโภคนโยอัญญาคนนี้พูดใจเลย ได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นนี่แหลธรรมจากกับพระพุทธสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบนจมาศที่สังหะในที่ว่า น, นาจีดานีปุณาโพความรู้ควาเป็นอะไริเศษเลื่อเล ย, เลยได้เกิดเกิดแล้วแต่เราจะทารุณความหลุดพ้นของเราไม่มีการกําเนื้แล้วชานี้เป็นชาติสุดท้ายของเราต่อไปนี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่น เอาอันนี้มาช้าทายเปบญจวัคคีให้เป็นเจ้าขีปฏิบัติให้ในช้าทายตัวพบชาติ ต, ตัวเองที่ตายกองกันมาสักนานเท่าไหร่ให้มันหายไปหมดว่า ม, มีเหลือลบป่าช้าเสียหมดผู้สําเร็จปาา่าละหันเนี่ยเป็นผู้ลบป่าช้าทั้งนั้นไม่มีป่าช้าใดที่จะมาปีงขึ้นมาได้เลยพรารหานสิ้น้ากของกิเลสทั้งหลายกิเลสตัวสร้างป่าช้าให้สัตว์เกิดแจ็เจ็บตายกองกันทุกข์ พบทุกชาติไม่เลือกเว้นและตามแต่กรรมดีกรรมชั่วจะใส่ลงไปนรกอวิ๋ีก็ไปเกิดได้สวรรค์พรมโลกเกิดไ ด, เ ด, ไ ด, ด้เกิดได้ทั้งนั้นในน้ํามนต์วกเปิดได้ที่เลสพาเกิดบาป ก, กรรมพาเกิดบุญกุศลพาเกิดแต่เวลาลบอันนี้ออกหมดแล้วลบปราช้าไปพร้อมกันเลยพละระอรหันตจึงไม่มีปราชาหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ที่เลสซึ่งเป็นตัวสร้างปรชาช้าดับภายในจิตใจปราชาก็ดับในเวลานั้น จ้าขึ้นมาแล้วอารโรโกหูดเดปาริสภากระจางแจ้งทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระละหันพระหันในครั้งนั้นกับพละหันในครั้งนี้ต่างกันยังไงพระหรหันก็คือกิเลสสิ้นไปจากใจเวลากิเลสมีอยู่มันทุกด้วยกันทั้งครั้งนั้นครั้งนี้พอกิเลสขาดสะบนดออกไปจากใจแล้วครั้งนั้นครั้งนี้เป็นพระหรหันที่สมูลแบบด้วยกันหมดเป็นมเมนตัสูงด้วยกัน ยังขอให้ท่านทั de de ้งหลายตั้งอกตั้งใจคุณปฏิบัติกันจัดที่เดชนั่นทเดชมันมีอยู่ทั้งหญิงทั้งชายนางบววและคาราวาสมันทำลายได้ด้วยกันนั้นเพราะนนั้การแก้กิเดชจึงไม่ขัดต่อเพศต่อวัยทั้งหญิงทั้งชายให้แก้กันไปแก้กันไปการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าเมื่อหน่ายอิ่มพอนะถ้าการสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อหน่ยิ่มพอนั้นนั่นแหละเรียกว่าจะเบนหน้าเข้าไปหากองทูนอย่นะ ใครมีความก็ยิ้มยิ้มย่องต่อการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญให้สารักษารศีลเจริญภาวนาผู้นี้ผู้เข้าใกล้ชิดติดพันก่อต่อบุญต ก, กุศลต่อมรรคผลนิพพานโดยดับดับดับจ้า ก, ก็ตั้งถึงเข้าถึงนิพพานตามเสน่ห์ผู้เยี่ยทันอย่างไม่สงสัยเลยเนี่ยจําว่านี้นะถ้าผู้ใด ห, ห่างเหินจากศีลจากธรรมก็เท่ากับห่างเหินจากความพึงหวังนั่นแนหะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็จะติดพันเข้ามาที่ไหนเะจออะไรมีจริงจไม่สมหวัง เจออะไรไม่สมหวังเจออะไรไม่สมหวังพบใดไม่สมหวังพบใดไม่สมหวังวไไมัน ม, มีแต่พบไม่สมหวัง <c oughs> ก็คือตัวเราปัดสิ่งที่ดีออกสิ่งที่ดีก็เกิดไม่ได้ก็มีแต่สิ่งที่ชั่วจารามโมเกิดนั่นแลหละพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้เทศไปเทศมามันก็เหนื่อยอย่างนี้นะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาเทศทุ่มลงมาร่างกายสันขานมันอ่อนเพรียขนาดไหนวันนี้ลบมันบังคับมันไปบังคับมันไปขอให้ทุกสั้นตั้งใจปฏิบัติ วัดนี้เป็นวัดทําจริงนะเราไม่ได้หลอกแหละเราพูดจริงเราไม่อวดเรามาปฏิบัติอยู่ในวัดนี้มารอกแหลกกับเราไม่ได้นะพระเนรจะมากมายขนาดไหนก็นางพอตาจาับปั๊บนี่สติปัญญามันเข้าถึงแล้วนะแล้วยังก็มุมงามท่วมเทียมไม่หัวใจไม่ได้เป็นนะท่านน่าจะจำว่านะเดินไปท่วมเทียมเหมือนจะล้ลมลุมกคลานแต่จิตใจสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่มันจะมันจะไม่นั่นจริงตลอดแหลมคมมากทีเดียวแวบลูบแล้วเลยเห็นแล้วแ ป, ป๊บรูบแปปล้วเห็นแล้ว นอกจากไม่พูดเฉยๆก็งามตเตรียมไปเสียอย่างนั้นผู้ประมาทมันก็รับข้อข้ อ, ข อ, ขอต่อหน้าต่อตาครูบาอาจารย์ที่จ้องหน้าดูมันอยู่นั่นแห ล, ละภายจามะาวันนี้การเทศน์ว่ากาันแล้วก็การปฏิบัติตัวเองให้มีกำศังกรรมจริงประจำนะเราเป็นขันะว่เราจะสอบแสวงหาความดีด้วยวิธีการใดให้หานะการสมบูรให้ทานยาได้ขาด กายคิดติดพันกับสินกับทานเรียกว่ากายคิดติดพันกับที่พึ่งที่หลุดที่ฝากเป็นฝากไปเราได้โดยแช่ไม่สงสัยถ้ากายห่างเหินจากศินจากธรรมกาคิดติดพันกับฟืนกับไฟเข้าเป็นลำดับให้เลือกเอาสอย่างนี้นะนี่ก็เข้าบรรจาให้ตั้งจาจย์นิจจาระไว้ให้ดีตั้งใจให้ดีให้ดีแล้วต่อไปจะมีความแน่นหนามันคงไนไปแล้วเชื่อตัวเองได้เลยจิตกับธรรมเขาเป็นเดียวกันแล้วเชื่อตัวเองได้ไม่ต้องไปหาเชื่อผู้อื่นผู้ใดแม้ที่ยกมือไหว้กันแล้ว ก็ได้ว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อเชื่อธรรมชาตินี่ธรรมชาตินี่ผู้เจ้าก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แบบเดียวกันนั่นอย่างนี้แหละสำคัญเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและชาติคันขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาชาติพระเจ้าพระสงฆ์ลูกหลานและพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเชิญอุ่นไปวุ่ไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ไมนไม่ได้พูดอย่างนี้นานแล้วบางครั้งพูดแล้ววันเหนื่อยแล้วมีอะไรอย่างนี้นนจะให้ฟอนะพวกอยากไปก็ไปพวกไม่อยากไปจะนอนใต้ยอยู่นี่ก็แล้วแต่เถอะบอแล้วก็หนักหนักแล้วก็บอกกันอยู่ย่ำกันอฟังให้ฟออิชิตังปฏิตังตุมหังชิบะเมวาสมีจัตุชาเพปูเรโตสังกปะ จันโทปนารโสยธามนิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพโรโคมินัสตุมาเตผวัตมันตารโยสุขีทีฆาโยเพราะวะอภิวาทนะสีนิจิจังุทธาปจายโนจตารโอธมมาวาทาเต อายุวันโนสโขาา้างผาดาแค่คนนี้นได้สักกี่นาทีใครใครจะตั้งไหตั้งถึงเนะเนอะสามสิบดเริ่มเทนะก็เทเร่งอยู่นะน่าว่าอะไรมากมันก็ไม่ได้เทอย่างนี้มันเหนื่อยวันนี้ฝืนนะฝืนเราอ ไม่ฝืนไม่ได้คือสามที่แปดนาทีเทศวันนี้ได้ยาวที่สุดสามที่แปดนาทีเทศมีเล่งมเล่งพิปดปกระติในสามแปดนาทีหมดกำลัง <c oughs> มันจะมากรับจำเดิมจําไว้ถ้าอยากจะสาบาตรก็ า, า, ร า, า, าท่านรับามจุบหมายที่เชื่รับแล้วถ้าไมารับที่อาหารที่ตามหมาจำหมาทำไมล่ะขาดจับตุยงคอว่าข้อนี้ถ้ามีความแปะถนา น, อน้อยฉันแกง่ายน้อยความเพี่ยนมากๆชติดีปัญญาดีถ้าฉันมองว่ามันอึดอาดเหนื่อยหนย่ที่เกียดก็มาก การบริหารของอาหารการนี้มีเกี่ยวกับเรื่องอาหารมันทำความเบอ่าให้ความเพลียเพราะฉะนั้นจึงขอนลงขอนลงมิจฉาบาดเอาแต่ว่ามิจฉาบัดไม่มากกว่านั้นหนึ่งถ้าบางครับเอาไว้บังครับว้ามากกว่านั้นมันเหมือนหมูครึ่งเฉียงอ่ะ อายุจากเกวันที่สิสองีหาเงาอายุจากเกาสิบห้าเต็มวันที่สิสองเสหาคม่อายุเก้าสิบหบวจนมาสี่ปีนะจบก็บที่อยู่ที่นี่ฮะฮะนั่นหะเจ็สบวจมาแค่สี หมดรักที่นีนะ้ก็เราก็ไม่ยังมีอะไรที่จะแล้วงแทงใจในความเพียนของเราในการบวชมาปฏิบัติต่อสี่ต่อธรรมมาโดยลํำดับเราหมดความรักแชราขายในการปฏิยัติมีแต่ความภูมิใจในการปฏิบัติต่อเองเพราะเราก็พูดก็ว่าอาจจะมีนิสัยว่าสนาอยู่บ้างนะคือทําอะไรมันจริงทุกอย่าง ไม่มีคาว่าอะไพิจารณาย้อนหลังไปหาการกระทำมันจฟองเราอ่นอัดง่ายๆกแซงแด่ที่ไหนไม่ม um ีถึงจะยากลำบากก็มรู้ผู้ขานมันก็เอาแบบก็มรู้ผู้ขานถึงจะได้อย่างได้เกณฑมันก็เอาําแบบได้อย่างได้เที่จาอ่นอง่ายๆเขาแซ่ยไม่ปรากฏที่เราก็ภูมิใจในการปรกอบความปาคเพี่อนองอย่างเอาจนกระทั่งที่คาชวันไปจากใจอันตรายฟังจะน่าเนียว ผลอ่างการปฏิบัติชื่อเรอามาสอนที่ร้องทั้งหลายว่าว่าว่าว่าอย่างนี้เราสอนออกมาื่องความเป็นว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วเต็มภูมิของธรรมเต็มภูมิของตึกของธรรมไปอย่แล้วไม่หาธรรมอีกเลยหมดหาที่ไหนธรรมกับใจเปเยวะแล้วไปหาอะไรพอนั่นพอแล้วป่าชาโลบหมดในชานี้เป็นชาติสุดท้ายของเราที่เกิดจะไม่ซ้ำชา ร่างประชานชานในภูมิชาสตรนี้ภูมิธรรมขั้นนี้ขั้นเรียกเรียกเป็นตัวสร้างพวกร่างชาติออกกับใจให้หม ด, เ ร, มหมดใใเรียกว่าเรียไม่หมดในใจเรียกว่าราประชาชนในหัวใจออกหมดไปสิ้นเชิชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่กลับมาเกิดอีกใครจะว่าเราโ อ, โอ้เราวาอรว่าไปเี่กมันเคยดูดีดามทำมาพอแล้วเราเรียกหัวเรียสซะ บ, บ้าง เมื่อเมื่อมันถึงการสี่เหยียบแล้วมันไม่มีที่ตระมาให้เราเหยียบนะมันแหลกหมดแล้วทั้งชาวบ้นซืห้าพฤศภาคมสองพสรเก็าสิสามเต็มเต็มเลยเต็มเลยเหยียบที่ฟาสะบ้านลงไปฟาดดิลมในวันนั้นหลังวันลอยสมุทเจดีทังชาวบ้านนั้นเหยียบหมดไม่มีที่ตระเลยทีมาแสดงว่าเออคุณยังบอมึงตายไปทั้งโคทั้งแกงแล้วมึงเอาหน้าไหนมาโผล่ มึงมาจากโคตรใหญ่ไม่เลือกเปนี่คือการกระร้วให้จริงให้จัําำมาพุ่งเจ้าสูุดๆน้อนเป็นปัจจุบันสลเวลาไม่มีสําคำว่าฟิวรัสมัยเรียกว่าอกาฮิโกะไม่ว่าท่านมีท่านชั่วท่านกับการเวลาเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะให้พระคุณจังใจว่าชื่อว่าแล้วการเชือย่างนี้จะไม่มีใครเสื่อมง่ายแลยนะไม่ใช่คุยทอสมาตรงเข้าใจมั้ย เทศสารพ่น้องหลายเจ้าควาเมตตาพระาพยายามมาจากทีไหนเติมกระหังนี่เราก็ถอดตัวเมตตาออกไปสรางรากพี่น้องต่างหายเสียหายไปไหมการพูดมาเราทำเราทำแทรกเป็นแทรกใจใครไม่เห็นเราได้ผลมาแล้วมาพูดเพื่อเปลีนทัศน์ทัศนใจแจ่พี่น้องหลายบ้างถือได้หรือถ้าถือแด้วุฒิเลี้ยงสอนโรคมาได้สาวกสอนโรคมาได้ตายกองกันอย่างนี้ไม่มีศาสนาติดตัวจะเอาไหนเอาเลือกเอา วันนี้เออเราต้องปวดบางครับนะถ้ขาขันบางครับออกธรรมดามันจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ยืนกับเขาความเมตตาบางครับดึงออกดึงออกถึงพูดได้เสียงดังขนาดนี้แค่ตอก็ า, ามทุ่มกว่แลั้นเองก็ร้องได้มากแ้วมันอ่อนมันเพร่อ การกระจปฏิบัติในครัวเรามีความเมตตาเสมอหน้ากันหมดนะเราไม่หนักในผู้ให่เบาในผู้ให่เมตตาทำกระจายครอบหมดวัดที่เราปกครองไม่ว่าพระว่าหลือไมว่าในครัวเราถือเป็นลูกศิษย์สาคบปฏิบัติทำร้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามีอะไรประการเราจะไม่มีคําว่าเสียดายควาจะมีสิ่งเดียวต่อบัรใดผูด้น้องทั้งหลายเราไม่หวน มีจาความเมตตาลได้มาสายกว่าออกกว่าออกกว่าอจังที่เราช่วยโลแล้วช่วยด้วยความเมตตาเพราะไม่ช่วยด้วยความใจดงเดียวนะช่วยด้วยความเมตตาไม่ใช่กว่าออกเห็นไหมเราช่วยโลกอย่างทองคำก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วก็เพื่อเขาข้างหลวงงเราข้างหลวงไป็นหัวใจของชาติเราเราเกิดในสังขารชาติไทยไม่ห่วงชาติเราเกิดไม่ห่วงไทยยังต้องพยายามขนฝยหามา ทองคำเพราะ้องคาบกบางมากไม่มีสงาาส่าราศีเมืองไทยทั้งประเทศคนจังหกชุดสองคนที่สาม้างผลทองคำเพื่องึกระดับหัวใจของชาติไทยเราไม่มีดูไม่ได้นี่มันกระเสือนใจนะอืเห็นที่กระเสือนใจนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเอาทองคํากับดามดาไปมอบเข้าตังหนวงประชานธนาคารนี่ก็ผู้อำนวยการธนาคารชาติเสนอมา ยิ่งมวลเราเข้าไปอยูสองคำก็ท่านก็คงจะเห็นว่าเราที่มีส่วนจะช่วยเหลือได้เพราะเห็นเป็นผสมมาเรื่อยแล้วองค์สองคต้องจะร่าเข้าไปมอบคำหลวงวันนั้นเพราะจากนั้นท่านก่อนยิ่งมวลเราเข้าไปอยูสองคำไปเรารู้จั่งตือก่อนยิ่งมวลเราไปดูเข้าใจสั่งตือหาเข้าไปก็รู้จริงๆม่ใช่ดูทำไม่ให้สมใจสัาที่มีความมุ่งหวังต่อเราว่าจะช่วยได้ พอประมาณเขากดูเศรแสกเสียแจ๊ดูมดเลยอย่านี้ก็เปนย่งคุยกันสองกับสองใครไม่เข้าไปยุ่ได้อ่ะคุยกันหมดไปฝากไว้บ้านเมืองเขาอะไรเมืองนอกเมืองใหญ่าไหรเพื่อเป็นการประกัน์ช่างไยของเราไว้อันเป็นมีที่ถึงเราก็ยังเสิร์ฟสงคําที่ไปฝากไว้ที่เป็นเป็นเครื่องไขสอตัวมา ประเทศไหนฝากไว้ไวเท่ไรไหนฝากไว้เท่าไรย้อนย้อนกรรมฐาประเทศไทยของเราเว่านี้ประเทศไทยของเรามีสองเท่าไหร่มีเท่านันใจหายหรูปเลยนะธรรมะที่มาประกาศให้ในในในพี่นองไหนทราบเพราะมันจะเตือนใจมากพี่น้องชาวไทยเราต้องหกทีสองสามร้านคนทองคํามียี่สิ บ, บมือเดียวมันเป็ น, นไปไรหรอาแม่ก็ะเสีอนใจใหญ่หนี้ใจมันยุติเย้ใจเรายิ่งเป็นใจทําด้วยใจพระด้วย มันจะไม่กระเสี่ยงันออกว่ากว่าจัแต่บันทามาจงสระทำแบบนี้เราก็ไม่อยู่ด้วยขอต้องทำเราขอให้มีน้องหลคนควยหามาให้เป็นเครื่องประดับชาติของเราด้วยสองคําษาหนากระสืออจ่างนี้กระสือยิ่งาต่อ้าต้องตนตลอดไปจนกระทั่งถึงดูถึงหลังต้เราวน่ะยาเห็นว่าท่านคนนั้นทำเร่วแร่อคนนี้เแล้วเขาอยู่แร่อเราอยู่กับเขาแต่ไปเมืองไทยหนีไปที่ทาราไม่จําเป็นให้คนไทยเขาอยู่ ไม Chan ่จ e ําเป็นเขาทําเรียบๆเราไม่เรียบิเขาทําเรียบเป็นเรียเราไม่ทํำยังไม่ไม่ได้เอาให้หามาช่วยกันแ้่เขาอยู่เมืองไทยอยู่แล้วเราก็ยังอยู่อีกเนี่ยจะว่าไงไม่เห็นแรียว่ามาเป็นว่าหนักเบาเราต้องช่วยกันคนไทยเราไม่ช่วยกันให้ความเพียงจะมาขี่กันนะยาอื่นอะไง่ายๆยาโรคยาดีเอาตัวรอดว่ามึือยากผลยอดเร็วเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายข้อขาดประจําตามกัน นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองรักษาสมบัติของชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้ด้วยความเด็ดขาดในการรักษาสมบัติของตนเอาอย่างนี้นะจานะยาเราเรียนนะเราไว้เศ้าไม่ใส่เราเรีเราเรียนเจะตายอะไรวิ่งหนีไปแล้เอาตัวรดอดเป็นยอดดีมันยอดเร็วเอาไปก็เป็นตา่างกันตาชัดกันยคอขาดากันจางกันมีเย่างคนไทยทั้งประเทศหัว ก, กูบหมดเว้นกันเสียสละจนไม่เสียใจ ขอเจ้าของเราชมเข้าใจไหมล่ะอาญาพอก็เไมอยู่งเทเลท่ไม่อยู่พออาล้ยงแม่พอเนะหรออเั้นเออเื่อาเอาอไรให้เรีจะให้ให้องจะพอหมดใชไหมเขาคนเดียนพักยาเะๆ ผมําเขาไปด้ว่ต้องทำต่างไปด้วผมไม่เหงื่อยผมตึงมากท no tamam ุกอย่างนะคารประกาศความเสื่อมไปองเดียวองเดียวการทำความเสี่อผมไม่เอาใครไปด้วยเพราะแม่ครูอาจารย์เสริมสมหาไปองเดียวว่าอย่างน้ลเพราะว่าจะไปอดู่ไปองเดียวเออขึ้นตันจีสมหาไปยวใช้ไปยุ่งต่าเพราะท่านนความตั้งอกตั้งต่ของเราเต็ม่อ้อต้องเชื่ั้นพูดหยอกเ่อ้ออให้ยัดันป จะแบบคนจะตายอย่าง้กลับมาท่านมีหนังหอก็ดูมาที่ใ่มาหาท่านังหอกเูอาามสกว่าตัยังบางชาดีทไมเป็นหนังหอกอยู่ว่าเขารมาฟาดที่เป็นอย่าก็สมใจฟาดที่เก็สมใจคาสมบังหมด ไม่มีอะไรเหลือในใจของเราสว่างจ้าขอบโลกธาตุตั้งแต่วันวที่สิบ้าพฤษภาสองวันสีร้ยกาสิบามมาจนทั้งบัด น, นี้จ้าตลอดเวลาฟังสาระสั้นฟังทั้งหลายฟังเป็นยังไงหาทำได้ทำไหมหรือผูอ้เรียกรอกโลกหรยอืมมอแบบนี้ก็เทศนั้นออกทั่วประเทศนันะงคงจะออกทั่วประเทศอื วันนี้จเปิดหมดเลย้ฟังตั้งหน้ากันอ่าอีพระกันเลิกกันได้ยนะเอาเอาเอาเลิกความความกันเลิกได้เออันนี้ไปเออั้งห้าติ้าตปพระกวาความเยนนะพรเออเอาไปแล้วโอ้เหนื่อยเลยเออเอาอไป เลิกอเลถือพ้อเจ็บเถือพ้อไปฟ่อพวกนี้ดุกันที เดียวจิคนเดียวตายแล้วกลังท้ากันเปนหาเวลาขู่อยู่ที่ไหนก็ขู่เนี่ยมันยังเมามั่นเดียวนิสัยเจ๊ยไงมกำลังเมามั่นขู่กันเลยเหนื่อยยอมยมรับว่าเหนื่อยแต่ตั้งใจเสียสละเสื่อส่วนรวมแล้วทุ่มให้เ่ ครับครับ พาพักดีแม่ของอี๊เจ้าค่ะออพร้อมครอบครัวกราบบูชาพระเมตตาธรรมด้วยทองคำจำนวนหนึ่งกิโลเจ้าค่ะลูกลูกศิษย์ทุกๆคนกราบขอให้องค์หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงมีอายุยิ่งยืนนานเจ้าค่ะ อยากม si. ัน ห, หมดนเราอูว่าโลกทงาพ่อเจ้าค่ะแล้วก so? ็คณะสายทำถวายทองเข้าคลังหลวงหนัก2บาทเจ้าค่ะใช่อาคณะสายทำถวายทองเข้าคลังหลวงหนัก2บาทเจ้าค่ะเออใจ่เราดแล้วคนขวยกวนไปน้องหลายกวนตลอดเวลาทองคำต้องตําหวงมีน้อยมา เพะั้นเราถึงควรก็เหมือนใสงคราเรางโยนลืะสวยงามทั้งประเทศก็ว่าไงวามัน้โหเอาเอะไรอี เอาอ้ควลงไปเอาเอาวางลงวางคยๆวางอยๆวางค่อยๆวางดงตาเจ้าค่ะวันนี้ขอายผ้าอาบน้นแล้วก็ขอถวายปัจเจกภูจารณ์ผ้สี่ขัน มองตาทำงานตามปกติตลอดการนานๆเจ้าค่ะปีทุ่ทุกมิบนาทีวันที่เท่าร่ชั่วโมสาไสามสนาทีเจ้าค่ะก็ได้เยอะหนคตเทศเลยเลลนั่นจะเนีนุนอะไรอะไรเได้เยอะหนาวพอใจพอใจพอใจพอใจ มาแล้วนึกว่ากลับแล้วยังไม่ได้กลับนะเ้าค่ะรอฟังทำใหญ่ก่อนเจ้าค่ะเป็นยังไงเท็กรั่งเจ้าค่ะฟังรำใหญ่ที่พลังเสียงก็กล้องไปทั่วไตโลกธาตุเลยเจ้าค่ะอย่านี้เปิดบังคับธาตุขันออกวันนี้เพราะนานๆจะได้เทสทีหนึงเราไม่เทอยู่เรื่อยๆเทสเรืยมันไปไม่ได้นะ วันนี้บังคับทุกอย่างบังคับออกวันนี้สวนปฏิบัติธรรมสายทานสายธรรมกาบบูชาคุณพนรัตนไตรด้วยทองคำหนึ่งบาทสงฆโลกหนึ่งม่บาทเจ้าคคุณเจงศรัทธาใหญ่กาบบูชาคุณพนรัฒนไตรทั้งสาด้วยปัจจัยสงฆ์โลกส0ม0มื่นบาทเจ้าค่ะอใจอจคุณเจงสามมื่นบาท ไม่งั้นไม่เรียกว่าศรัท ธ, ธาใหญ่ศรัท ธ, ธาใหญ่มันต้องได้หลายหมื่นบาทเลยบูชาพระธรรมที่ตัดไว้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเจ้าค่ะมีแต่ดวงจิตเท่านั้นที่ไม่ดับเจ้าค่ะไปาะมาเยอะๆมาเยอะ พรเสิศโซนวิโกวัดบางแก้วพัทลุงทำอ๋อบางแก้วจังหวัดพัทลุงกราบถวายทองหบาทปัจจัย 3,000 บาทเจ้าค่ะวันสายวันเกิดพอบ้านาบุญทให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าค่ะ ขายากำลังผ่าสมองอยู่ที่โรงพยาบาลขอความเมตตาด้วยเจ้าค่ะคุณกัญญาัตคุ้มฉายาผ่าสมองอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้ค่ะโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลศิริราเจ้าค่ะพระสงฆ์ศิริา หลวงตาเจ้าขาววันนี้เป็นวันมหามงคลได้ฟังคำขององค์พระหลวงตาทําให้หลูกหลานทายมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเป็นล้นพน้นหน้าอาการอันควรเช่นนี้ทุกขานทั้งหลายขอตั้งจิตน้อมใจถวายทองคําจํานวนหนึ่งบาทดอกบัวทองอันหมายถึงหลวงตาใบ<า>โททองอันหมายถึงความเมตตาของหลวงตาที่มีต่อสรพพะทัตทวงทั่วไตโรโลกาธาตุผู้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธัมม บ, บูชาสัมฆบูชา ข อ, อนอบน้อมถวายเพ็่นบุญทั้งบทใจองตาพระมหาบัสมโทรคอยท่าสี่ันท่งง า, ทาทขององตามีกำลังมีนิดมีเด่มียะอำนาจสู้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลโทธโมสังโฆด้วยเธอนิพพานา็เชวโฮตเจ้าข้าไปสองคำก็เลยเพยิ่มเขาเยอะนะเทาข้างหลวงเพ่ช่วยชาติครนี้องคาได้ตั้งมื่นกว่าเดยว หนึ 150, no. tom, tom, tom ่งมนหนึ huh. oh, uh ่ง huh. พ oh, oh, ันเลยวหนึ่งหมื่นหนึงันก็ร้อยหสิบกิโนะ้เยอะสองคำตั้งหมืนกว่ากิโลนวะาได้มากเอ๊ะนึงบาทนึงราอยู่หกพันเจ้าค่ะอืมบาทเลยเออพอใจพอใจพอใจเออเอาช่วยกันเถอะช่วยกันเถอะ ฉนาฉนเฉลิมสรสาร้านบจงผ้าม่านจังหวัดขอนแก่นกับถวายสงฆ์โลกพบาทเจ้าค่ะ อ, อ, อใจพระที่นี่ยุง 60, 8, ้งหีสิบเลยแบ0ลืมเล้ยโอเคลืมแล้วหินี่ยทุกปี้าสิบแด้าสิบแป นียันก็หกเพื่นโตคนเยอะนะวันดีคนเยอะน่มีอะไรหยวพระเจ้าค่ะอะไรกับหวยคือบวชพระบวเข้าพรรษาเจ้าค่ะแล้วก็ปัจจัยเช็คหนึงห่บาทนคะ เออโยกเว้ยอืไย่ัเีเอาไปรัรัรั พอใจเอามาเถอเอามาเอคนเยอเต็มเข้งก็เต็ม ข้างหลังก็เต็มคนคนเยอะมดวันวนี้เยอะมาก แม่ ป, ปนองคชาตุลาอำเภอสักเล็กจังหวัดพิจิตรถวาย3า0พบาทครับพ อ, อ, อใจพอใจ <c oughs> กีตาจะริ่ลา โบอจ้ายพอจ้ะฮาพันฮนะพันพระท่ า, า 500, 500. นะพระสมชายถวายห้าอครับผมพระสมชายที่อยู่ที่นี่ครว่าห้าร้อย ท่านกรรมกานทุยงคือกรรมกานทุยงท่านจะรับกับของาในบาทท่านารับที่เขาตามส่งมาแล้วก็มาเห็นนาจัมานมารับกันกับอันนี้พระใชนอยู่ในป่าคี่ภูขาถึงเวลาท่านจอนวินสวานพอของผ่าน เกล็ดตัวโล่มากมันหลุดออกมามทา ง, าาาางกำลังคองค้าจะลงมายินสวาดในํำล า, า บ, บอกไว้ชัดเจนมากเป็นกติกาทางกำลังคองข้าเข้าข้าเลยแล้วที่บีี่มันยื่นแป๊บเข้าไปข้างในไปหาหายในบ้านเจ้าของยังไม่ไปยังไปก่อนแล้วเือ แค่วันนี้จะทำข้าวหน้าจงเขาจะอาหารตอนนี้บรรจงอะไรใส่หวาดเรานะว่านอนนี่ก็คือเกือกเหือตอนนี้เพียงของผ้าจะไม่ไปมันไปออกมาก่อนแล้วเอาไปชักสักเก่งเราไม่ไปเพื่อผ้าทิ่งเลยเพราะฉันจเปล่ยนจังหวเอาเก่งเอาวันหังเต่เาหญินนะเราให้มันตายเลยดีก่ที่เดตัวนี้เงียบไม่ขึ้นเลยในตารานี่ กำลังคองข้าใส่วิาบเมื่อติดอย่นี้มันแย่อกไปว่าเขาจะได้อาหารตอนนี้มันโจงอะไรใส่บาสให้เรานะ้วันนี้ว่ า, านันอันนี้ก็สุดคลื่อคื่อนันรักษาตินรักษาติดสังขารมันออกไปนโจรเป็นบานจะมาพ้นทำของท่านเออ ย, ยังไม่ไปมันออกไป่นถ้าเกิดไยังไม่ใส่เอเพื่อข้าวว่านีไม่ไี้วินบวันหลังเกี่ยมเอากันอยู่ อ, อ เอาถ้าเกิจริงเอาถึงตายนั่นเห็นหมอย่างนี้ะเองก็ติเสียพวกเราอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเดจริ ง, รงเอาเอาให้ตายก็ตถ้ามาันจอย่างนี้เราจะไม่ฉันตรงก็ต้องตายหนเห็นไหท่านี่งเขาหลังหมอกเลยมันวดจะไที่นมดาคก็ตดีมากนะเจของกาลังของข่าจะบินเว่าคร้งนี้มันออกไปก่อนแล้วมันมี กญาติเรานี่เขาจะได้อาหารไปยี่งอะไรใส่บาเราหน้าหวานกันเนยังไม่ไปไไปกอนเถ้ไปเราไม่ไปเพื่องว่าทิ้งเลยหลังเตรียมพร้อมเอาเอาไว้ว่าถ้ามันเตนจริงแล้มันตายันงเนี่ยบไปจานบอกเงียบไปคยาจะบาไปด้วยความเป็นธรรมไปด้ความรู้ในอาหารน่ละ การเรียนาไว้เเป็นการก่อสอนพวกเรายนงงค่ะนกขาเ้นี่จะกลัจะเปีนคะไม่ยเลยตอนนี้เนี่ยูดูแล้วนูปฏิบัติเพื่ออะไรดูดูแล้วชั้นรูปฏิบัติเพื่ออิสระอยู่นี่นนชั ลูโลแล้วลูปฏิบัติเปล่าที่ใส่ใจที่นี่ลเอาอะไรลูต่อเนี่องรู้แล้วลูปฏิบัติเปล่าที่ใส่ใจที่นี้ไม่ใจเปื่อย่างอื่นไม่ใจเพื่อคนอื่นคนอื่นก้อใจคนอื่นก้อใจไม่ก้อใจไม่จางแปลมาเราบอกว่าเขาเข้าใจแล้วที่ปฏิบัติอยู่อยู่ที่ใจนี่แล้วผมก็ ใจใจเขาอิสระอิสระไม่จําเป็นใครจะว่าอะไรก็ไม่ไม่สนใจใช่ไหมไม่จําเป็นควรเชื่อไม่เชื่อไม่จำเป็นไม่สําคัญอคนอื่อว่าไงไม่สําคัญครับเราปฏิบัติโดยใจเขาได้เพราะรู้ไม่ใจหาลูกเสยอรู้ไม่ใจหาบริษัทบริวารลู้ไม่จํำเป็นควนเชื่อรู้ไม่เชื่อ นุ้รู้สักใจนุนิมันพื้นกว้างๆก็รู้ลูกมันใจแน่นมันก็ไม่เอียงเจังกับบางคนนุ้นการล้างเขาบอกว่าเขาปฏิบัติเขารู้อยู่ที่ใจเขานะครับอแล้วก็เขาใครจะว่าอะไรเขาเขาก็ไม่ไม่ไม่สนใจไมยปฏิบัติแ้วเขายื้ออยู่ของเราคุณเข้าอยู่ของเราสติบรรญาก็ แล้ว็อยูกับเราดูทีกระเด้ากันนุรู้สึกนเจอในเก็บตรงนี้เปิดกว้างๆเพรามันแบบใจนี่แน่นมั่องไม่เทียงแล้วน่มันเวลานู่มต่ำอะไรนูเข้าใจเจ้าค่ะเพมันแบบนู่มไม่กลัวปิดเวลาหนูมตอะไรนูเข้าใจนุ่มไม่กลัวปิดนูแน่นนอนนูแน่ใจนูรู้เองเ้ไปรื่อยๆนุ่ นู้รู้สึกเนี่ยอุปทานด้วยเป็นลําดับลําดับเป็นธรรมชาติของมันเองโดยไม่ต้องบงังคับตั้งไห้จิตนูนีิสบายอย่างเงี้ยแล้วคนนู้นู้แม่ตรงต้วยอีกนู้แม่ตรงห่วงอีกนูไนใบหทีจิตก่อนอิกแล้วมากมากเขาบอกว่าเขาปฏิบัติและจิตเขาสบายสบายครับอื <c oughs> รัวนไปยคุณจะให้วนเดียวนีรู้อีรู้รู้สึกผู้ประธานคอยเป็นไรอะไรอะสักครั้เป็นลำดับลำดับรู้รู้สึกไม่ต้องกลัวอีกรู้รู้สึกปุยเรื่องสบายสบายครับปฏิบัติดีนะครับเก่งครับ นู่นนึกนต่ลุงตาลุงตาสอนูต้องปฏิบัติตึงกันสบายเลยดูสบายใจดูพอใจดูรู้ดูยังไม่เสร็จแต่ว่าแกนี้เองนลดูพอใจแล้วดูสบายดูดีใจดูมาจากจิตหนูตีเล็กเนู ขอบคุณลุงตามากๆ้ะก็ลุงตสอนลุงตอนุญาตโปฏกบัที่นี่ลุงก็อนุญาตเนี่ยมันนอนตายอยู่เหรอเคไม่ปเขาเอนุญาตเขามาอยู่ว่าอยู่ขอบคุณลุงตก้ะมันพูดมันเาเรื่องมาเรื่องของเลยลูอนุญาตเอาแม่กับพี่เศรอยู่ด้วยกันจหลายเดือนจ้ะแม่กับพี่เศ ขออนุญเอาแม่กับพี่สาวอยู่ด้วยครับหลายเดือนครับจะมาเาะกันตัดกินเาะเคยจะทากักัดกันมาัแต่เลี่ยงมายเลเอามาจะมากัดต่อหน้าเาใจไม่ะใจะขาดพอพอพอเรลิกันนะพระป่าพระป่าหน้าสาราหนึ่งห้าพันห้ารอยี่บาทครับแล้วก็ทองคำหนึ่งบาทครับไปแล้ว ไปครับคุณนอยคุณนอยคุณนอยคอมพิวเตอร์ถวาย 5,000 ันครับอืมไลยอืมอืมไปเลยเเลิกเลิ เรื่ยๆๆๆๆไปไปไปเรอๆาไปเาปสยะเาปสยะเราชเ <sm> ้แล้วสาย